เรื่องภิกษุณีทาน้าสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉับพักคีทาน้าถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้า ด้วยมโนศิลายอมตัวยอมหน้ายอมทั้งตัวและหน้าคนทั้งหลายต่างตำหนิประนามโผทนาว่าฉะไหนหนอพวกภิกษุณีจับพักขีจึงถ่านหน้าถูหน้าผัดหน้าเจิมหน้าด้วยมโนศิลายอมตัวยอมหน้ายอมทั้งตัวและหน้าเหมือนหญิงคฤเรหัดผู้บริโภคกามเล่า ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงทาหน้าไม่พึงถูหน้าไม่พึงผัดหน้าไม่เจิมหน้าด้วยมโนศิลาไม่พึงย้อมตัวไม่พึงย้อมหน้าไม่พึงย้อมทั้งตัวและหน้า รูปใดธรรมต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายแต้มหน้าทาแก้มเล่นหูเล่นตายืนแอบที่ประตูให้ผู้อื่นฟ้อนรำตั้งสำนักหญิงแพทย์สยาตั้งร้านขายสุราตั้งร้านขายเนื้อออกร้านขายของเบ็ดตเตล็ด ประกอบการค้ากำไรประกอบการค้าขายใช้ทาตให้ปรนิบัติใช้ทาสีให้ปรนิบัติใช้กรรมกรชายให้ปรนิบัติใช้กรรมกรหญิงให้ปรนิบัติใช้สัตว์เดรัจฉานให้ปรนนิบัติขายของสดและของสุกใช้สันทัดขนเจียมหล่อคนทั้งหลายตำหนิประนามพนทนาว่า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 รับสั่งว่าพิกษุทั้งหลายพิษุณีทั้งหลายไม่พึงแต้มหน้าไม่พึงทาแก้มไม่พึงเล่นหูเล่นตาไม่พึงยืนแอบที่ประตูไม่พึงให้ผู้อื่นฟ้อนรำไม่พึงตั้งสำนักหญิงแพทย์สยาไม่พึงตั้งร้านขายสุราไม่พึงตั้งร้านขายเนื้อ ไม่พึงออกร้านขายของเบ็ดเตล็ดไม่พึงประกอบการค้ากำไรไม่พึงประกอบการค้าขายไม่พึงใช้ทาตให้ปรนิบัติไม่พึงใช้ทาสีให้ปรนิบัติไม่พึงใช้กรรมกรชายให้ปรนิบัติไม่พึงใช้กรรมกรหญิงให้ปรนิบัติไม่พึงใช้สัตว์เดรัจฉานให้ปรนิบัติ ไม่พึงขายของสดและของสุกไม่พึงใช้สันถัดขนเจียมหล่อรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎ